นาขาสังยุตหนึสุทธิกสูตรว่าด้วยกำเนิดนาครุนล้วนสามรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสีประเภทนี้กำเนิดของนาคสีประเภทอะไรบ้างคือ 1. น, นาคที่เป็นอันทชะเกิดในไข่ 2. นาคที่เป็นชลาพุชชะ เกิดในคัน 3. นาคที่เป็นสังเสทชะชเกิดในเท่าไครหรือที่ชื้นแฉะ 4. นาคที่เป็นโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่ประเภทนี้สุดที่กระสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปานิตารสูตร ว่าด้วยกำเนิดนาคที่ประนีตกว่ากัน3ามร้อยสี่สิบามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสีประเภทนี้กำเนิดของนาคสีประเภทอะไรบ้างคือหนึ่งนาคที่เป็นอันทชชะ 2. นาคที่เป็นชลาพุชชะสนาคที่เป็นสังเสทชะ สนาคที่เป็นโอปปาติกะในนาคสี่ประเภทนั้นนาคที่เป็น ipping, ชลาพุชะสังเสทชะและโอปปาติกะประนีตกว่านาคที่เป็นอันทชะนาคที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะประณีดกว่านาคที่เป็นอันทชะและชลาพุชะนาคที่เป็นโอปปาติกะประณีดกว่านาคที่เป็นอันทชะ ชลาพุชะและสังเสทชะภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสีประเภทนี้ปราณีตรสูตรที่สองจบ 3. อุโปโสทสูตรว่าด้วยอุโบสถ344 ส, ส, ส, ส, สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวัน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 และสละกายได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุนาคที่เป็นอันทัะบางพวกในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้มีปกติกระทากรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาและใจพวกเรานั้นมีปกติกระทากรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาและใจ หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันธชะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาและใจเมื่อทำได้อย่างนี้พวกเราหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เชิญพวกเราประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจในบัดนี้เถิด ภิกษุนิแลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้นาคที่เป็นอันทชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้อุปสัศสูตรที่สจบ 4. ทุติยอุปสัศสูตรว่าด้วยอุโบสถสูตรที่สอง5ห้า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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นชลาพุชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ทุติยอุปสัทสูตรที่สี่จบหตติยะ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 รักษาอุโบสถและสละกายได้พึงขยายข้อความที่เหลือทั้งหมดให้พิสดารพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้นาคที่เป็นสังเสรทัชชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ตาติยะโปศทะสูตรที่ห้าจบ 6. จะตุถะอุปโปสัสูตรว่าด้วยอุโบสถสูตรที่ส 347. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นโอปปาติกะบางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุนาคที่เป็นโอปปาติกะบางพวกในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจพวกเรานั้นมีปกติกระทำกรรมทั้งสอง ด้วยกายวาจาและใจหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจเมื่อทําได้อย่างนี้หลังจากตายแล้วพวกเราก็จะพึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เชิญพวกเราประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจาและใจในบัดนี้เถิดภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นโอปปาติกะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้จะตุถตอุปสัทธสูตรที่หกจบเจ็ดสุตสูตร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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นอันทัะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้ว ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อย um ู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชชะสุตสุที่เจ็จบ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 ตติยะสุตสูตรว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมาสูตรที่สามสามร้อยห้าสิบเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพิสุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ, อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้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 จะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมาก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 ที่เป็นโอปปาติกะจตุทสุตตะสูตรที่สิบจบสูตรที่11ถึง20สิอันทชะทานูปาการะสุตตะทัสกะว่าด้วยความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกหน้าที่เป็นอันทชะสิบสูตร352หถึง361เอด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 เป็นผู้มีปกติกระทํากรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นอันทชะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับนาคที่เป็นอันทชชะ จึงให้ข้าวหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะพิกษุนี้แลเป็นเหตุจะเข้าถึงจึงให้น้ําให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องรูปไล้ให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องประทีบ หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทัชชาภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทัชชอันทัชชาโนปาการะสุตตะสกะที่11อถึงยี่สิบจบ สูตรที่21ถึงห0ชลาพุชานิทานุปการสุตระติงสกะว่าด้วยพระสูตรส0สสูตรมีชลาพุชธานุปการสูตรเป็นต้น362ถึงส9 1เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า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 เป็นผู้มีปกติกระทากรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉชไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะ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 หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะพึงเพิ่มสูตรคราวละสิบสูตรที่ละไว้นี้เข้ามาให้เต็มการตอบปัญหาทั้ง40สในกำเนิดสีก็พึงเพิ่มเข้ามาให้เต็มอย่างนี้เมื่อรวมพระสูตรทั้งสิบกับสูตรก่อนๆเข้าด้วยกันจึงมีห้าสิบสูตร ชลาพุชานิธานุปการสุดตติงสกะที่ 21-50 หจบนาคาสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุต์นี้คือหนึ่งสุทิกะสูตร 2. ปานิตะราตาสูตร 3. อุ ป, ปสัทสูตร 4. ทุติยะอุ ป, ปสัทสูตร หตติยะอุโปสถทะสูตร 6. จตุทธะอุโปสถทะสูตร7สุตสูตร8ทุติยสะสุ ต, ต, ต ส, สูตร 9. ตติยะสุตสูตร10จตุทธะสุตสูตร 11- บเอ็ดถึงสอันทัชาธาโนปาการะสุตทัสกะยี ถึงห้าสิบชลาูุชาทิธานโนปการะสุตะติงส ก, กะ